สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองวันนี้ผมมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องที่ดูน่าสนใจดีนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคนกินน้ำมันพรายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังเรื่องนี้ไ ป, ปพร้อมๆกันเลยครับอิทังสัพเพเปรตานังโหนตุสุขิตาโหนตุ สพเพเปตาขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนี่เป็นเสียงสวดของหลวงตารอดซึ่งมักจะท่องบทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ทุกครั้งหลังจากลืมตาจากการเจริญภาวนาในทุกค่ำคืนที่แสนเยือกเย็นฉันจะได้ยินเสียงท่องบทท่ามกลางความมืดที่เงียบสงบทาให้ฉัน ซึ่งนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเก่าในห้องของหลวงตาอดที่จะลืมตาขึ้นไปมองอยังร่างที่ผอมบางของหลวงตารอดไม่ได้แวบหนึ่งที่ฉันมองไปยังเบื้องหน้าของหลวงตารอดทําให้ฉันถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดวยคล้ายจะมองเห็นหรือสัมผัสบางอย่างได้ซึ่งอยู่ตรงหน้าของโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งที่ฉันเห็นปรากฏเป็นรูปร่างของคนมีทั้งเด็กและคนแก่ กำลังนั่งพนมมือก้มหน้าหมอบลงกับพื้นคล้ายกําลังรับศีลรับผ่อนก่อนที่ฉันจะยกมือขึ้นขยี้ตาเงารางๆเหล่านั้นก็พันหายไปอย่างรวดเร็วทําไมยังไม่นอนล่ะเนนหลวงตารอดหันมามองฉันพร้อมกับยิ้มน้อยๆที่มุมปากฉันลุกขึ้นแล้วมองฝ่าแสงไฟที่สลัวสลวของเปลวเทียนก่อนจะมองไปรอบๆกุฏิไม้เก่าของหลวงตารอด ซึ่งเป็นที่อาศัยคุ้มแดดคุ้มฝนมองหาอะไรเหรอไม่มีอะไรแล้วนอนเถอะเสียงนั้นช่างอ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความปราณีจนฉันสัมผัสได้หลวงตารอดเป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติไม่ยึดติดกับวัตถุหรือเลือกปฏิบัติท่านมีความรู้และสามารถรักษาผู้คนได้ด้วยสมุนไพร และยังเป็นหมอดูใบพลูที่แม่นยาอีกด้วยกุฏิของท่านจึงไม่ค่อยวางเว้นจากญาติโยมพวกเขาล้วนแต่มาพึ่งบารมีของท่านตลอดเวลาที่ฉันบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแห่งนี้ฉันได้รับรู้และพบเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างที่ชวนให้ฉงวนใจยิ่งนักบางสิ่งบางอย่างฉันเองก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ยิ่งนานวันเข้าทาให้ฉันอดนึกไม่ได้ว่า ในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ชวนพิศวงซุกซ่อนอยู่มากมายและรอคอยให้พวกเราได้ค้นหาคำตอบช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นหลังจากที่ฉันก่อไฟต้มน้ำชาให้หลวงตาเรียบร้อยแล้วฉันก็ถือไม้กวาดทางมะพร้าวเดินตรงไปที่ลานวัดแต่ในขณะที่กำลังลงมือกวาดเศษใบไม้อยู่นั้นเสียงผู้คนหลายคนที่สาวเท้าตรงเข้ามายัางหน้าวัดก็ดังขึน ฉันหยุดกวาดก่อนจะมองไปเห็นชาวบ้านหลายสิบคนกำลังหามร่างของชายคนหนึ่งซึ่งมีร่างกายที่ขาวซีดร่างนั้นผอมจนเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกไม่ต่างจากซากศพดีๆนี่เองอะไรที่ทำให้ชายคนนั้นเป็นสภาพเช่นนี้นั่นเป็นคำถามที่ฉันตั้งขึ้นเงียบๆในใจเ <c oughs> นนัดหลวงตาอยู่ไหมครับฉันพยักหน้าก่อนจะเดินสาวเท้านาหน้าชายวัยกลางคนไปยังกุฏิของหลวงตารอดในทันที เอาละเอาละไม่ต้องพูดอะไรหรอกเนนไปเก็บใบพลูให้หลวงตาหน่อยไปฉันตกใจที่เห็นหลวงตาครองจีวรและนั่งจุดเทียนอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาราวกับว่าท่านจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าญาติโยมที่เดือดร้อนจะมาขอพึ่งบารมีของท่านฉันจึงสาวเท้าลงกุฏิไปยังต้นพลูที่ปลูกไว้ไม่ไกลจากกุฏิมากนักในขณะที่ชายหนุ่มร่างผอมทําท่าดิ้นทุรนทุรายดวงตาทั้งสองข้าง เลือกลาดเหมือนว่ากาลังจะกลัวอะไรบางอย่างชาวบ้านช่วยกันจับชายคนนั้นขึ้นไปบนกุฏิอย่างเร่งรีบเมื่ออยู่ต่อหน้าหลวงตาชายคนนั้นมีท่าทีทุรนทุรายหนักขึ้นเรื่อยๆฉันเก็บใบพลูได้ตามจำนวนที่หลวงตาต้องการแล้วนำขึ้นไปให้หลวงตาที่กำลังพรมน้ำมนต์ใส่ร่างที่สันเทาของชายคนดังกล่าวเขาร้องเอะอะวยวายลั่นกุฏิหากไม่มีชาวบ้านช่วยกันจับไว้ฉันว่าชายคนดังกล่าว คงจะวิ่งลงุติหนีน้ำมนของหลวงตารอดเป็นแน่ไม่นานนักอาการดิ้นทุรนทุรายของชายคนดังกล่าวก็สงบลงในขณะที่หลวงตาจุดเทียนขึ้นเพ่งมองใบพลูพร้อมถามชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของชายคนดังกล่าวอย่างละเอียดการซักถามชื่อวันเดือนปีเกิดนั่นเองทำให้ฉันรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ชื่อนายถนอมและมีอายุเพียง30ต้นๆเท่านั้น ชายคนนี้ฉันไม่คุนหน้านักเพราะว่าเขามาจากต่างถิ่นที่บังเอิญมาได้ภรรยาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เหตุที่ฉันไม่คุ้นหน้านั้นเพราะว่านายถนอมไปทํางานที่ต่างประเทศมานานก็หลายปีและเพิ่งจะกลับมาได้ไม่กี่เดือนนี่เองโยมคนนี้โดนของหลวงตาลอดนั่งเพ่งใบพูอยู่พักหนึ่งก็เปล่งเสียงออกมาอย่างเยือกเย็นทุกคนต่างร้องตามเป็นเสียงเดียวกันก่อนที่ชายวัยกลางคนที่พามา จะร้องถามด้วยความอยากรู้ว่าแต่มันเป็นคุณสายประเภทไหนแล้วครับหลวงพ่อชายหนุ่มร้องถามขึ้นส่วนตัวฉันสงสัยเพียงอย่างเดียวว่าหลวงตารอดรู้ได้อย่างไรว่าชายร่างผอมบางที่นอนเหมือนผีตายซากผู้นี้ไปโดนคุณสามามันเป็นน้ำมันพรายมาจากขามร้นนาโยมหลวงตารอดเอ่ยขึ้นอย่างเรียบเรียบราวกับว่าพบกับของต่าเช่นนี้มาจนชาชินแล้ว ต่างจากญาติโยมที่พนมมือและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความตกใจจริงหรือข้าหลงตาแล้วอย่างนี้สามีอีฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะคะคราวนี้ผู้เป็นภรรยาถามขึ้นบ้างในขณะที่สามีนอนหายใจเรยดินราวกับเหน็ดเหนื่อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะถึงตายได้ทําไมรักษาหรือถอนค อ, อ, อจากตัวแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอัตมาจะเอาน้ามันพายที่ว่าออกให้เอง หลวงตารอดเ อ, อ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตา น, นี่พี่หนอมดนน้ำมันพายจริงๆเหรอข้าหลวงตาฝ่ายภรรยาถามขึ้นด้วยความเป็นกังวลมันไม่ใช่แค่ป้ายน้ำมันพายแต่สามีโยมน่ะกินน้ำมันพายเข้าไปตังหากหลวงตารอดเฉลยขึ้นเอาล่ะพวกโยมจับชายคนนี้เอาไว้นะเดี๋ยวอาตมาจะเอาน้ำมันพายที่อยู่ในร่างของโยมถนอมออกมาให้ดูเสียงของหลวงตารอดสั่งอย่างเรียบเรียบ ก่อนจะหยิบเทียนไขขึ้นท้องคาถาในขณะที่น้ําตาเทียนหยดลงในขันนั้นเกิดเป็นดอกน้ำมนตรูปร่างคล้ายปีศาจ ร, ราวสิบนาทีเห็นจะได้หลวงตารอดพยักหน้าให้ชายวัยกลางคนที่เป็นคนพามาเอาน้ํามนต์ไปกรอกปากนายถนอมเมื่อเห็นขันน้ำมนต์ที่ชายวัยกลางคนถือเข้าไปใกล้ก็ร้องรันพร้อมดินดน้นรนจนชาวบ้านที่พามาต้องจับนายถนอมตรึงแขนขาวไว้กับที่ส่วนอีกคนก็ใช้มือบีบปาก ก่อนที่ใช้ยวัยกลางคนจะเทน้ำมนต์ใส่ปากของนายถนอมร่างนั้นสั่นสะทฐานพร้อมส่งเสียงกรีดร้องออกมากวอนจะดิ้นทุรนทุรายจนชาวบ้านที่จับนั้นสู้แรงไม่อยู่ถูกผลักกระเด็นไปคนละทิศละทางฉันเองก็ยังสงสัยว่าร่างกายสู้ผอมขนาดนั้นไปเอาแรงมาจากไหนมากมายไม่นานนักนายถนอมก็โก่งคออาเจียนออกมาเป็นมูกเลือดผสมน้ำเหลืองกลิ่นอาเจียนของนายถนอมนั้นเหม็นเน่าสุดๆ หลวงตาลอดม่นิ่งดูได้ท่านหยิบขันน้ํานตที่เหลือน้ํานตเพียงน้อยนิดท่านท่องคาถาไปพร้อมพรมน้มํานตไปบนร่างกายของนายถนอมอย่างไม่ขาดนายถนอมอาเจียนออกมาคราวนี้ทุกคนถึงกับตกตะลึงเพราะสิ่งที่นายถนอมอาเจียนออกมานั้นไม่ได้มีเพียงมูกเลือดหรือน้ําเหลืองแต่มันกลายเป็นเส้นผมยาวๆที่ออกมาด้วยจํานวนหนึ่งพอเส้นผมกระจุกนั้นออกมาจากร่างกาย นายถนอมก็ดูอ่อนแรงลงมากไปทีเดียวฉันมองร่างกายที่สูบผอมที่มีเพียงหนังหุ้มกระดูกซึ่งนอนฟุบอยู่บนแผ่นกระดานพร้อมหอบหายใจเรรินก่อนที่ทุกคนจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีลมพัดวูบใหญ่เข้ามาพร้อมกับหอบเสียงหมาวัดที่พร้อมใจกันเห่าหอนอย่างเยือกเย็นทุกคนหันหน้ามองกันเลือกหลักก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ นายถนอมลุกขึ้นมองผู้คนอย่างสงสัยแม้แววตาจะดูเลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวาแต่มันก็ยังดีกว่าตอนขามาอยู่มากเลยทีเดียวสามีชั้นหายดีแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อฝ่ายภรรยาถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังหลวงตารอดสายหน้าไปมาก่อนจะตอบว่ายังรอกโยมสามีโยมนะ่ยกินน้ำมันพรายไปนานมากการที่จะเอาออกให้หมดภายในวันเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก โยมต้องมันพาสามีโยมมารดน้ำมนต์ทีนี่ทุกวันแล้วอาการที่ว่ามันจะค่อยๆหายไปเองหลวงตารอดแนะนำวิธีล้างอาถรรพ์จากคุณใสก่อนที่ฝ่ายภรรยาจะซักถามว่าไปกินน้ำมันพลายมาจากที่ไหนเพราะว่าที่ทำงานต่างประเทศก็มีแต่คนงานผู้ชายทั้งนั้นเมื่อได้สติกลับคืนมานายถนอมเล่าให้ภรรยาฟังคล้ายกับเป็นการสารภาพไปในตัวว่า วันที่ตนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและได้พักค้างคืนอยู่ที่กรุงเทพตนเองกับเพื่อนได้ตระเวนเที่ยวสถานบันเทิงประเภทร้านคาราโอเกะในสถานบันเทิงตนได้รู้จักกับเด็กนั่งดื่งคนหนึ่งและเกิดรู้สึกชอบพอขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจนับตั้งแต่วันนั้นมาตนเองก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องแอบไปหาส่งเงินให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นประจำทั้งๆ ท, ที่กลับมาอยู่กับภรรยา แต่ก็ไม่เคยลืมเลือนผู้หญิงคนนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นคนทำน้ำมันพายเสร็จเครื่องดื่มให้พี่น้อมดื่มแน่นอนฝ่ายภรรยาเอ่ยขึ้นเสียงมนหมองแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานสามีให้อับอายชาวบ้านแต่อย่างใดในวันนั้นกว่าชาวบ้านจะลาหลวงตากลับก็จวนเวลาทำวัดเจนถูกอย่างล้วนเกิดจากกรรมอาตมาก็าทาได้เพียงเท่านี้แหละโยม หลวงตารอดเอ่อยอย่างเบาๆพร้อมมองตามหลังญาติโยมที่ลงจากกุฏิอย่างเร่งรีบคล้ายทันจะล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมาอีกในไม่ชา้านับจากวันนั้นมานายถนอมกับภรรยาก็เที่ยวมารดน้ำมนต์มาอาบน้ำมนต์ที่กุฏิหลวงตารอดแทบไม่เว้นในแต่ละวันและแทบทุกครั้งไปนายถนอมจะอาจเจียนและมีเส้นผมติดออกมาด้วยเสมอ ร่างกายของนายถนอมตอนนี้ดูดีมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโขทั้งการพูดการจากระดูดีมีสติไม่หวาดกลัวน้ำมนองหลงตารอดอีกต่อไปนอกจากในตาที่เลื่อนลอยบ้างในบางครั้งที่ฉันเห็นแล้วยังต้องใจหายยามดึกสงัดของคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงหลงตารอดพึมพำออกมาในความมืดสลัวคล้ายกับกำลังสนทนากับใครบางคนเสียงหมาหอนดังไปทั่ว ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นเพ่งมองออกนอกมุ้งไปยังร่างของหลวงตารอดแล้วฉันก็ต้องตกตะลึงเมื่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าของหลวงตารอดในยามนี้มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าอยู่ราวกับกำลังรับฟังคำขอร้องบางอย่างของหลวงตากลางแสงเทียนสลัวของเทียนไขหน้าโต๊ะหมู่บูชาหญิงสาวนั่งเอามือค้ายันพื้นเอาไว้ท้องที่บวมเป่งของตน ทำให้การนั่งนั้นแสนจะยากลำบากฉันมองดูร่างของผู้หญิงคนนั้นด้วยความตกตะลึงก่อนจะค่อยๆยกชายมุ้งขึ้นเพื่อจะมองหน้าของหญิงคนนั้นอีกครั้งแต่เมื่อชายมุ้งถูกยกขึ้นร่างของหญิงสาวคนนั้นก็หายไปเสียแล้วตรงหน้าของหลวงตารอดยามนี้มีเพียงความว่างเปล่าหลวงตารอดมองมาทางฉันก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงเรียบๆว่านอนเถอะเนน สิ้นเสียงของหลวงตารอดฉันดึงผ้าห่มขึ้นคุมโปงพยายามข่มตาให้หลับก่อนที่หลวงตารอดจะดับเทียนลงตอนสายของวันนั้นนายถนอมไม่ได้มารดน้ำมนกับหลวงตาเหมือนอย่างเคยฉันก็รู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเที่ยงภรรยาของนายถนอมจึงวิ่งร้องไห้มาที่กุฏิของหลวงตา พร้อมเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ติดตามเธอมาด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นหรือโยมหลวงตารอดถามอย่างงงๆพรรยาของนายถนอมนั่งลงประนมมือบอกเล่าเรื่องราวร้อนใจที่เกิดขึ้นกับตนให้หลวงตารอดฟังอย่างละเอียดสามีสามีของไอ้เจนค่ะหลวงพ่อยังไม่กลับบ้านเลยเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าเมื่อเช้าพี่ถนอมได้มารดน้ามนต์กับหลวงพ่อหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตารอดใส่หัว เนื่องจากว่านายถนอมไม่ได้มารดน้ำมนต์จริงๆแล้วพี่ถนอมไปไหนที่บ้านก็ไม่อยู่ที่วัดก็ไม่อยู่ภรรยาของนายถนอมเอ่ยขึ้นมาท่าทางร้อนรนก่อนจะขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหาสามีและสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นต้นโพข้างไมรู้มีร่างของชายคนหนึ่งผู้คอตายด้วยผ้าเขา่าม้าสิ้นใจอย่างน่าเวทนาร่างนั้นเป็นร่างของนายถนอมผู้โชคร้ายนั่นเอง ซึ่งภาพนั้นฉันยังจำติดตามมาจนถึงทุกวันนี้อัตมาพยายามช่วยโยมอย่างถึงที่สุดแล้วแต่วิญญาณผีตายหวงตนนี้มันแรงเหลือเกินและก็คงเป็นเจ้ากรรมในเวรของโยมถนอมด้วยจึงได้สามารถที่จะนำชีวิตของโยมถนอมไปได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้หลวงตารอดเอ่ยเสียงเงิมงๆในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันนาศพนายถนอมลงมาจากต้นโพยอย่างทุลักทุเล สายลมพัดเข้ามาวูบใหญ่ใบไม้บริเวณนั้นหล่นลงพื้นตามแรงลมที่พัดเสียงหมาหอนอย่างโหยหวนในขณะที่ฉันยืนมองดูศพของนายถนอมด้วยความสลดหดหู่อยู่นั้นพลันหูของฉันก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นดังลอยมาตามสายลมเสียงนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของผู้ชายที่ดังแผ่วๆอย่างเศร้าส้อย